วิญญาณจะเกิดได้ต้องอาศัยร่างกายอาศัยชีวิตอาศัยพฤติกรรมของร่างกายสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งสิน้นโดยใช้สํานวนว่ามหาพูต ร, รูปและอุปาทายรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณลักษณะรูปสีเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญา ณ, แ ล, าจจญญาณและคือพฤติกรรมในระบบของเซลล์กรรมยัตตา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 ต้องรู้เสีย ก, ก่อนว่าคำว่าวิญญาณเกิดรละดับมีความหมายแค่ไหนและอะไรคือสิ่งที่มีอยู่อย่างแท้จริงวิญญาณมีสองประเภทคือวิถีจิตกับผวังขจิตคำว่าพวังขจิตเกิดวิถีจิตเกิดอะไรคือสิ่งที่มีอยู่นักวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับว่าจิตเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างหนึ่ง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 เรื่องธรรมชาติให้แจ่มใสจริงๆก็ต่อเมื่อรู้แจ้งเรื่องนิพพานเท่านั้น